ขอเจริญพรญาติเเจนพุทธบ ร, ริษัททั้งป่ายบรรพจิกชิกและกริหัสวันนี้เป็นวันธรรมสูวระเป็นวันพระแลมแปดค่ำเยยี่วันเวลาก็ล่วงไปรวดเร็วเรือยเกินถึงวันพระแลกคือวันนี้ชีวิตเราก็ล่วงเลยไปตามวันพระเหมือนกัน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 ประโยชน์ที่จะพึงได้บุญหรือบาปกุศลหรืออ ก, กุศลดีหรือทั่วประการใดได้สองข้อเท่านั้นแต่ท่านจะเอาข้างไหนมากน้อยเคียงใดแล้วแต่ท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิกกะปริหตวันนี้จะชี้แจงถึงเรื่องปัจจินตะอีกขึ้นดูกันชีวิตนี้คงไม่สิ้นหวังแล้วท่านทั้งหลายเอ่ย อาจจะไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจา้าว่าลึกซึ้ง <c oughs> สุขุมคุลภาพยากมากที่จะตีความหมายแต่ข้อเท็จริงนั้นท่านสอน ง, ง่ายจี่ถุดแล้วแต่เราตีความยากเราไม่อยากสนใจย่าปากคอกคือมันง่ายถาไปสนใจที่ไม่ได้ที่ไม่ควรจะได้อตรมมาพูดมานานแล้วที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้ จิงไม่ชอบไปชอบที่หมาชิงทุกสิ่งก็หลอกเพลียงชีวิตถูกใจเสมอความถูกต้องม่อยากได้ชอบจะเอาตามฝึกใจตามอารมณ์ตามใจเราตลอดเลยการไหนเลยละท่านจะดูตรงไหนจะได้จิงไหนล่ะมันจะขาดทุนอย่างย่อยับมันจะเสียเวลาไปที่รวดเร็วเช่นในวิเนี่ยเพราะเ ห, หตุได้ตอบทันทีว่าชีวิตเราหมดค่า ไม่มีค่าเลวเวลาจึงไม่มีประโยชน์มันจ้องวิ่งไปได้รวดเร็วเอาแต่ความถูกใจความถูกต้องไม่ได้เขมใ จ, จแล้วเอาแต่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจแล้วมันก็โมโหโกรธาชอบไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เพราะไม่ถูกใจอย่างนี้มีมากมายร้อยละ8ปดสิบ แต่ความถูกต้องของชีวิตนี้น่ะไม่น้อยเหมือนน้าย้อยบอกตาลอะไรเล่าจะดีเท่ากับชีวิตอันมีค่าเวลาที่จะมีประโยชน์ต่อตัวท่านอันนั้นหาได้ยากทานอยาได้ทำความลาบากใจเลยขอคิดเห็นเทิดพระพุทธเจ้าสอนนั่นง่ายที่สุดแต่เราไม่ทำกันเอง ไม่ปฏิบัติเอาแต่าอารมณ์ของตัวเองเอาแต่อารมณ์เอาแต่ข่มผิดไม่ได้แล้วก็เอาแต่ถูกใจพอใจได้ชอบใจเท่านั้นหรือท่านจะผิดหวังเดือดรเวลาที่หมดไปแล้วนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยทั้งบรรดาชีวิตกระหลึ่หัดทั้งเศรษฐาเนี่ยเถระวันนี้ กาทิศก็หมดไปแล้วชายมาพับไปนานแล้วดับแล้วเลียวลับอับกระดองคด ต, ตกไปนานแล้วพอสมควรแต่เราก็ได้อะไรต่อวันนี้แล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยท่านคานวณชีวิตของท่านซิได้อะไรเป็นหลักได้อะไรได้บ้างไม่ได้เลยเจ้าตั้นคลึ่นไปตามวันเวลา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 ตรงนี้จะมีไม่ได้เลยบาปบุญคุรพ่อก็เช่นเดียวกันความจริงของชีวิตก็เช่นเดียวกันลําลึกเหตุการณ์ได้ไหมไม่ได้บุญบาปมีจริงัหมวันเวลามีจริงัหมชีวิตนี้แล่นแท้และจริงัหมถ้าท่านตีค่าชีวิตได้วันนี้มีได้พรุ่งนี้มีได้วันนี้เกิดมาจากเมื่อวาน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 ได้ยรือเสียเราต้องรู้ตัวดีวนี้ว่าทำไปเนี่ยไดห้หเสียมันจะรู้ตัวเป็นปัจจิตตังเวทีจับโพวิงดุยรู้ได้เฉพาะตอนที่ทําเท่า น, านั้นคนอื่นไม่ได้มาทํามันจะได้หรือเปลี่ยนได้ขอกล่าวไตาเติ้นให้ท่านฟังในวันนี้ได้จะพูดชีวิตนี้อันไม่สิ่งหวังว่าชีวิตนี้มันแล่นแค้นมันผ่อนคลายถึงไหน ชีวิตนี้ได้ดีท่าเหญไดานขอท่านติดตามฟังต่อไปณนะโอกาสบัตรนี้ขอเจริญพรและเจริญโุกโดยโดยทั่วการณโอกาสบัดนี้ <c oughs> ท่านที่น้องที่รัก ท, ท, ท, ทั้งหญิงทั้งชายโอมาอุกบาติกาผู้ใคร่ทม ท่านมาไข่ทำในประสาทสงานี่มาปฏิบัติทำจริงไหมอาจะมาเห็นหนอแหละจริงบ้างไม่จริงบ้างจริมจริ ง, จ, รงจำาจำจำบ้างอย่างนี้ทะงา น, นแต่คนจริงก็หายากชายก็จริงถ้าหญิงก็แท้ถ้าเป็นคนแก่ที่นามวิชาชายไม่จริงชายก็เบนหญิงก็ไม่แท้สื่อหญังก็กระชาก็รั่ว เลาะโน่งเลาะนี่ยังนี้อยื่แต่เข้าไปแท่งทิ้งไม่มีใครนับหน้าถีตามันอยู่ตรงนี้หานมาปฏิบัติทำจริงนะจริงหรือไม่ถามตัวเองเลยนะมาปฏิบัติทำไมามาแลกบุญมาแลกของอย่างโน่นอย่างนี้หวังผลตอบแทนหรอผิดหวังกลับไปอย่างี่นาศดีดายชีวิตนี้คืออะไร ทำนาปีนี้กินอยู่มี่ทำไหมท่านทั้งหลายเกดทิศซีวิตนี้เคลื่อนบาปบุญคุณทอดที่เรากระเสริเขาไว้ใช่หรือไมใช่หรือไม่แปลการใดท่านบอกว่าอ๊อบุญบาปไม่มีจริงชาตินี้ไม่มีจริงชาตินาไม่มีจริงทั้งเกิดมาจริงยึดหละ่ะชาตินี้มีได้ไหมมีหน้าชาตนาต้องมีจริง วันนี้เกิดจากเมื่อวานเมื่อวานเกิดมาถึงวันนี้แหละ ว, วันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ต่อไปในแต่าชาตินี้เกิดได้าชาติหน้าก็เกิดจริงมีทุกสิ่งหงยุ่นขาดท่านทั้งหลายตีความออกไหมท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยขอเจริญพรขอประทานโทษปลดปล่ยเถิดท่ามาสร้างบุญหรือสร้างบาปท่านมาสร้างผสอนหรือผลบุญ และท่านทั้งหลายมาสร้างความดีหรือความชั่วทิพย์หลงทุกข์ถ้ามาสร้างความดีทิ้งชั่วไว้หมดพย์ถือมานะเอาออกให้หมดอย่าเอามานะเสียใจยด้วยระเพศสิสองสร้างความดีไม่เด็ดดีมั่นมันม่นดีตรรมบางเพราะมีชั่วเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าไม่รู้จักจะทายชั่วออกไป แดีมันจะได้ไ้มญาติยมดีไม่ได้เพราะอิ่มด้วยความชั่วความดีมันจะเข้ามาได้มันอิ่มด้วยความชั่วเต็มเป่าเต็มกระเป๋าเต็มกระสั่งเต็มกระชังเต็มจิตเต็มใจเต็มกระเป๋าเต็มอกเต็มอกเต็มอกเต็มใจแล้วทุกเรืการไหนเลยแล้วความดีนั้นจะมีช่องเขับ ถ่ายเอาความชั่ว อ, ออกไปเหมือนคนู่เต็นท์ลาไม่มีคนเข้ามากลวมันเติมถายออกไปแล้วจะมีคนเข้ามาแทนได้ไหมได้ท่านไม่ถายบาปนี้มาทำบุญปาสูเลยแต่เอาบาปมาด้วยเอาบาปมาด้วยนะบุญจะไม่ได้เลยนะท่านมาทำบุญต้องละบาปอย่าเอาบาปมาทำไมให้เดือดร้อนในวัด เาวัดต่อไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าขอไปเป็นผู้ประเสริฐพระลำเลิศมีคนปราบะว้ยบูาอย่างนั้นมาวัดต้องการอะไรลายสิ่งขอฝากไว้อย่างนี้เป็นตน้นท่านมาวัดย่ามาหาเรื่องในวัดอาตมาเห็นหลายวัดแดวนุ่งเขาขาวมาเนี่ยไม่ชี้โกนหัวลอน มาแล้วมาแล้วฉันอูไปปฏิบัติมาสิบห้าสิบหกวัดไม่ได้สักวัดหนึ่งหาเลี่ยงเข้ามาทุกวัดอย่าเลืนนะเข้ามาวัดก็มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่ามาหาเลี่ยงกับพระอย่ามาหาเลี่ยงกับวัดถูกเลยไหมท่านบัณฑิตทั้งหลายถ้าท่านตองการบุญอย่าไปฟังเสียงนอกเสียงกายเสียงบ้าเสียงบอ ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงครูสอน อ, อย่าไปเสียงฟังไอห้หน้าหน้าแพลผลาไอ้ยิงข้างต่างชนติมันมีทับ้าปวัดไม่ดีข้างตลอดวัดแล้วขอเจริญพรมาบวชที่วัดนี้ทุกองค์ไม่ใช่ดีทุกองพระมีเปอร์เซนบางแห่งก็เกาสิบเก้าบางแห่งก็หกเปอร์เซนต์หกสิบเปอร์เซน บางแห่งก็คื่สิบเปอร์เซนทองก็ยังมีเปอร์เซ็นต์พระก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์อย่าไปซื้อสาความธรรมะไปดูก็อย่างนั้นโยมก็มาด่าอะไรที่ไปเปิดดูแหละท่านโยมติดขั่วมาขอไปเปิดดูของขั่วไปหาของขั่วสวรรค์ยังข้ามามาหาตําหน่งตีเยี่ยนให้ได้มาหาเรื่องอย่างนั้นหรืออย่างไรขอจเจริญพร อ, อย่างนั้น ในวัดนี้มีคนหลายประเภทมันมีหลายเปอร์เซนต์พระยังมีหลายเปอร์เซนต์พระที่มาถวายอย่างทองเหลืองก็มีักเกียวก็มีทองแรงก็มีแล้วก็ดินเผาก็มีเผาไม่สุกก็มีเอาอย่างไรไม่ใช่ดีทุกองมาบวชทุกองดีทุกองร้อยเปอร์เซน์ได้เหร อ, องมันก็มีไอ้พวกน้ำประสารมันมันเข้าไปมากมันก็ทำให้ทองลดเปอเสนต หากำเนิดหมีไม้อย่างนั้นทองเก้าเก้าร้อยปอร์เ็นไม่จงหาไม่มีที่ไหนร้อยปรเ็นมีแต่เ ก, 99, ก้าจุดเก้ากนนับวันนี้ที่สุกแล้วทองเสี่ยงให้เก้าจุดเก้าและโยมเป็นทองจุดอล า, ายเป็นทองจุดอล า, ายพระทองเหลืองทองแหลมตาเกื่ยวก็มีพระใจประเสริฐก็มีพระํ่ำริยก็มีพระเพลินก็มีพระภายก็มี มีหลายพระมีหลายพระทะพายพระเพลิงก็ร้อนหน่อยอยากจะร้อนหน่อยมันหนาวก็เข้าไปหาพระเพลิงมันจะได้อื่นดีอ่ามันเย็นจัดเกินไปก็ไปหาพระเพลิงอ่าไฟถึงบ้างถ้าเป็นพระเพลิงอย่างนั้นก็ทำให้ช่วยได้บางประการและช่วยไม่ได้บางประการ ขอฝาจะโยงไปตีความหมายและคิกโดยทั่วนาคาด้วยไปวัดจะขอให้ตั้งตนเป็นอุบาสกขอให้ตั้งตนเป็นอุบาสิกาปฏิบาาัติธรรมอย่ามาหา เ, หเรื่องมาจับเปลี่ยมเวลาชีวิตจะไล่ค่าเวลาจะไม่มีประโยชน์เรากลับไปแล้วจะไปได้บาปออกจากวัดไปมันจะเบียดร้อนนาตาประการ ขอจเจริญพรไม่กล่าวว่าไปว่าพระทะเลาะคาว่าที่อยู่ในวัดนี้มีหลายเปอร์เซนต์เขามาช่วยงานเรานะไม่ได้จา้างเขามาแล้วอย่าไปว่าเขาเลยคนมันก็ดีแค่นี้ดีอีกไม่ได้เปอร์เซนต์มันแค่นั้นจะทําอย่างไรตาตัวนี่ยให้เป็นทองะองคําไม่ได้ทองคาอย่างไรก็ต้องไปทําให้เป็นตาตัวไม่ได้ มันจะใส่โต้อุดหรือ ม, มันจะกดหลุมฝังมันก็ยังกำลังทังอยงู่นั่นตรงนี้ขอฝากไว้โยมก้าใจตัดปรีพอดใช่ะนะอย่ามาพูดอะไรกันในวัดตัดปรีพอดกังวลซะตัดสิทธิมนณะซะโยมเป็นปยาโทเอกเอาตำราทิ้งไว้ทิบาเอาวิชาทิ้งไว้ให้บานหมดเอาความที่ตรงใสเข้ามาแล้วก็มารับตำราเก่าคือตำราใหม่ ความดีที่มันผุดขึ้นมาจากเรียงหยัวใจเลืกอกยอดภาวนาถึงจะได้ผลไม่เห็นอาหารเข้าไม่พอใจเห็นคน น, นั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูด อ, อ, อย่างนั้นไปไปถือสาหกความอย่างนี้โยมจะไม่ได้บุญตั้งใจมาปฏิบัติอย่าไปสนใจกับคนอื่นสนใจตัวเองให้มากที่สดเข้าที่จะมากได้ อย่าไปสนใจไอ้บาบอคอแตกโยมนี่จิตใจต่ำมามันก็ชอบไปทะเลาะกันชอบไปห้าเหลี่ยนต่อพระบะ้างเรื่องกับคนน้นคนนี้บ้างโยมจะาโยมเข้าวัดขอให้เป็นอุบาจกเข้าวัดขอให้ตั้งใจเป็นอุบาสิกาในพศาสนาเถิดโยมจะได้ที่พึ่นปรรากลับไปบ้าง บ้านโยมจะเป็นเกิดถีมาหาเกิดถีจะได้มั่งมีสุสขไปวัดต้องร้อยวัดยังไม่ได่าอะไรสักวัดเลยชูดีก็ไปหาเรี้ยงกับวัดไปหาเรี้ยงกับพระไปหาเลี่ยงอย่างนั้นโยมจะเปลี่ยนเวลาใช้เหตุผลของบัณฑิตชีวิตลายเสะละต้องตัดปริพ่อกังวลก่อนมาอย่ามาจิ้ ม, จ, มจิมจามจา่จะตมาพูดไว้นาะแล้วไปเลี่ยงจริ้มมาจิ้มซะหน่อย ต้มแกงซ่อนเงี้ยและก็มาเขือจิ้มน้ําพริกเท่านั้นหรือหรือข้าวข้าน้ำยาก็ขนมกินกินยาอร่อยอยิ่เท่านั้นหรือไม่ใช่ไม่ใช่กินกินจั่มจั่กินธรรมะให้มันอิ่มได้ไหมอย่าไปกินไอ้พวกของที่มีพิษต่อร่างกายไอ้ฟังเสียงเนี่ยมันมีพิษ ก, กับจิตใจใช่ไหมได้ไหนไอ้ยมเนี่ยจะปฏิบัติได้แล้วจะไม่ได้อะไรไป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 ไม่เคยนั่งสมาธิเลยเอาสิงทิ้งไว้ที่หลังวัดเอาพองหนอลุกหนอทิ้งหลังวัดหมดแล้วไปไปหายใจเอาบา้าบอเข้ามาแทนนั่นเหรอนหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้เลยก็ไปบ่นผัวผัวก็โทรโทรศับมาที่วัดหลวงพ่อสอนอยังไงนะพวกมานผมเมื่อก่อนีนะ่ยกลับมาจากวัดภวันนะเป็นหมือนกินพื้นเลยบ่นโจ้เจี๊ยบเจี๊ยนี่เลี่ยงสิงที่วัดนี้ขอฝากไปที่คนนั้น ข้าเหตุใดพอเลิกออกจากวัดเลิกกําหนดจิตเลิกสร้างสติเลยเอาสติทิ้งที่หลังวัดเลยไม่มีเลยแขวเถหันไม่ตั้งดีในสินตมาที่ปัญญาเหมือนที่สอนเอาสินตมาที่ปัญญาไปทิ้งสติสัมปชัญญะก็ไม่มีข้อพิจิตสสติหมดแขวนคว้างเหมือนเรือขาดหางเสือ ก็ลอยเคลื่อนความกลางทะเลหมุนไปหมุนมาไม่ถึงฝั่ง้าคแบบกระการได้ไหนเลยแล้วจะได้ของดีที่สกยโยมมานั่งปฏิบัติเจดวันเข้งครับเป็นที่เลยพอออกจากวัดไปทิ้งเลยทิ้งของดีเลยนะเลิมของดีเลยนะกเสียใจกกยโยมด้วยเลยกลับไปบ้านก็ใจร้อนสามีทำอะไรไม่ถูกก็บน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 นี่เขาตอบว่าจะมาไม่เรือกจนไม่มีคําตอบแหละอย่าใครมานั่งแล้วนั่งไม่จะเอาคําสอนนี้เลยนะเบี้ยวบูดทํารื่อเบี้ยวบูดบทำขุดขูดเชี่ยวเชี่ยวทําลี้ยเลี้ยวรถรถคดๆดุกเชี่ยวใช่ได้หรือเปล่าการได้ขอป้าญาณยมไปนะหนุมสาวนุมสาวมานั่งกรรมฐานเบี้ยวถามบอกหนูมานั่งทำมาไม่ มีแฟนดีสามคนอยากจะนั่งให้รู้ว่าไอ้แฟนขลามคนเนี้ไอ้คนไหนเป็นเมื้อคู่ไปวัดใหม่มาใช่วัดนี้มาใช่วัดอัมพรวานน่นไปวัดตาเชียงอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นเนี้คู่เหรอิดวัดเนี่ยมาคันเบี้ยวๆอย่างเนี้ยมันก็ได้ของเบี้ยวไปเลยมาแบบบูดๆอย่างนี้ได้ของบูดไปเลยนะนี่คือวัดนี้สฟนสาวนะ่าดูปริญญาโททําไมเนงะี้ยยาบันฑดิดสามคนมาละ หนูอยากจะรู se, ้เขาบอกให้น so, ั่งกรรมฐานมานั <remembrance. chen S 1> says, ่งกรรมฐานรู้นสามคนเนี่ยคือไหนเป็นนักุยังง่อเนี่ยบัณฑิยังโ่ะเืคู่ว่าอะไรม่าวสาตอให้ฟังคือมสามีือ้าตอให้มาฟังเนี่ยนคู่คืออะไรตอบเ่อให้ถูกนะมผัวมืเมียน้าตอนถูกนะไม่เคยเมียอถูกเอาไง เมื่อครูเป็นไงฮะเป็นยังไงเนี่ยมีลูกมีเจ้าก็เช่นนั้นเนี่ยมีไม่จริงอ่ะ้าสาวแค่แต่แม่มาอย่างไงก็ตามถ้าไม่รู้จริงอย่าไปมือครอบครัวมันจะพลิกกลับเนี่ยเมียมาที่วัดเนี่ยอันดับหนึ่งครอบครัวมีความสุขเลยนี่ร้องไห้สัดาทุกวันเอาขี้หูเข้ามาหาขีตามาให้เรื่องครอบครัวมันมีความสุขสามมาคนหนึ่งก็สองผิดหวังในชีวิตขาดสติงสัมภาระไปโลกทันสมัย โลกภาษากันเยอะแยะอันดับสามมาแกลูกมาเย็นหนังสือลูกมาเย็นหนังสือระยังนะพ่อแม่จะเสียใจนะลูกไม่เอาเนี่ยนี่พ่อแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีหนึ่งเงาไปพันละไม่ลูกขาวันเดียวป ร, ริญาธีจุลาบนมันตายบัตนี้มันจะอยู่กับพิฆาชับมือเลยนี่แม่ครูหรือเป่าไม่ต้องแต่งงานนั่นไม่ต้องเสียค่าทิ้งสอนเอาอยัางไงเนี่ยเอาอยัางไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิดหวังนะระวังลกูกไม่เไหน อย่างนี้ซือเป็นนี่เขาไม่ทะบางคนมานั่งหลวงพ่อจะขานั่งซีวันจะใช้มี่หมดขเขาไป็ น, นี่เขาสามล้าโอ้โหโโหลวพ่อช่วยใช้มี่หน่อยว่าเอาที่เอาสะละนี่ไปเอาสะละนี่ไปเอาไปเอาไวเาาาาเ้เข้าธนาคารไม่ไปใช้นี่ครับนั่งกรรมฐ า, านให้ใช้มี่หมดขายืนต่างเข้ามาอตาตมาจะก่อไปสังหาใช้มี่เขาสิหาจะตังไปใช้นี่เขา มานั่งกรรมฐานมันจะได้มีปัญญาว่าจะไปแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนี่ตรงนี้ไม่ใช่นั่งกรรมฐานให้เงินมันไหลามาเนาะใช้ได้ฮะมีปัญหาในวัดนี้โ ย, ยมทุกผิดอย่างในการนั่งกรรมฐานเนีาะขอมาเขาด้วยและไปฟังเสียงนอกเสียงกาเสียงพระอาโน่นนัางอันนี้เลยไม่ต้องนั่งกรรมฐานเราตั้งใจมาสร้างความดีเอาความดีไปได้มหม ย, ยาวความชั่วไปด้วยเอาอะไรไปอาจจะมาดูคนออกเลยมาเนี่ย แม่หนูคนนั้นเนี่ยอยากไปออกขึ้อแม่เป็นใหญ่ซะเรื่อยนะผลอยญ่เป็นตอด้วยนะ ม, มันนั่งอยู่เจ็ดวันก็ไม่ถึงลอกพ่ออาจจะสี่วันฮะนัดจะแฟนไว้ต้องไปก่อนก็ฉาสีวันเนี่ยอยากจะมาตัดสินใจว่า้คนที่หนึ่งหรือคนที่สามไอ้คนกลางหนูไม่ชอบอะไรละไอ้คนที่หนึ่งค่อยชั่วงนอนไอ้คนที่สามมันมาใหม่รักมันมากง่ที่สุดโง่ที่สุด ย้อนได้ย้อนถึงเหรอนั่งกรรมฐานนี่ที่พูดเนี่ยมีเนื้อหาสารนะนอนตั้งใจฟังหน่อยเนื้อหาสาระนะมันจะมานั่งให้ใทายีเ้าหมดนะมาเทอเกตวานหลวงพ่อครัห้าล้านแต่นี้่ข้าวบ้านก็จะเขาจะยึดเนะ่ะนั่งเป็นไหนถึงจะใช้มีดาโง่ที่สดโง่ที่ส ด, สดแล้วหลวงพ่อช่วยโยนสักขาสักอย่างฮะใ ห, หย่คนที่หนึน่งที่สามมันแน่ก็ถามเธอดูสิ เธอชอบมีคนไหนนะ่ะาชอบสามคนเอามันทั้งสามคนเลยจริงเอานี้เหรอนี่เนน่าจะมาถานให้มันได้อย่างนี้เหรอแต่ผิดหลังกลับไปอย่างที่นายเลยเขามาสร้างบูงกุศลเขามันจะสร้างบาปอย่างนี้เอาละกันถ้าเธอมีแฟนมากเอาละจะสอนแบบท่านประถมนี่เธอปริญญาโทเนะียจะสอนแบบท่านประถมตีตารางค่ะมีแฟนสิบคนตีก็สิบแผน่นรวยสวยรวยทรัพย์ นบิชามีเมตยา้าก no. no. you know. so ูดีมีสริยธรรมให้คะแนนฉึกรวยเข่วยนะเขวยนอกเข่วยนายให้ฉึกคะแนนรวยทราบไหมรวยนอกรวยนายอริยทราบอริยเกิดให้ฉึกคะแนนรวยจะทับนบิชาไม่ชาไม่มีฮะจริงโฉมโฉมโฉมนะอะไรกันวันได้เยอนถึงแต่หาพระมรูดูนี้พระมรูเยอะน่งเทลเยอะไปจะดูสิวันได้เยินถึงแต่งงานเลยบัตรนี้ทิ้นกันแล้ว เลือดเผื่อรวยชาตินับวิชามีมารยาทัหนมะเป็นชาติูดีไนะมมีสิ่งธรรมไหมครบทพือนขบวนวงกรรู้สึกรู้ใจเข้าใจกันได้เข้าใจกันดีมีปัญญาตแต่งงานได้นี่คำสอนพุทธะภาษาพุจัะมือมันเนี่ยยักรับแล้อยังเนี่ยพี่ว่ามีแฟนสองคนกรัรกบอย่างฮะไม่กรบยกมือขึ้นใช่ไหมถึงมืออย่ายกมือมันอายครับ อย่าจะบอกเทคนิคว่าวมืออย่ายกมืออย่าบอกระบอ ก, บอกนี่ที่ประชุมนะตอนหน้าทายกรรมงานเขาฝากว่าเสียดายเยอะเกินเสียดายไม่เข้าใจบางคนบอกว่าเนี่ยอาจจมาพูดบ่อยๆมันขันดีแล้วพ่อฮะนั่งกรรมฐานมันจีวานผัวจะกลับบาปพวกพว ก, กอะไรเนี่ยมาสร้างบุญหรือสร้างบาปเอาบุญไว้ก่อนได้ไหย อะไรอะไรเนี่ยเย็นตามตามขนองชางมันอย่าไปคิดมันเอาบุญใส่ใจไว้ก่อนคือกรรมฐานพอบุญยอมต็มเต้เปลี่ยมเลีวยเพียดอย่านไเยวเงิแล้วนอนทองเลยมาเดี๋ยวมีปัญญาไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ก่อนคือมานั่งแรกบุญกันนะหลวงพ่อจนเลิกเกินเขอาอน่านกรรมฐานรวยรยัรย ง, งในอีบ้านนั้นเนี่ยมันอยู่ที่โลรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันย้ายไปอยู่กรุงเทพ เดยนี้มันขาหยขาหยุดขายดีเขาว่านะั่งกลัมาถามก็โยมลองเถอเดี๋ยวพองเนอยุดนออีหมายขายดีเนอพองเนอหยุดนอเดี๋ยวกราบนะข้าวกราบแล้วไปขายของเซ้งเลยเซ้งมันได้อย่างงั้นมาไรแล้วมันไม่มีความหมายอย่างงั้นเขากราบแล้วนี่ท่านสาธิตเชิทั้งหลายอตาตมาผู้หนึ่งก็จะไปดึกคนเราเนี่ยหนามแหลมใครเชื่อมมานากรงเสี้ยงใครไปกินโคเลทุระและลำบาก ลำบนใจเหือเกินชีวิตเราจึงไม่สิ้นหวังจะมีความดีที่จะมีความหวังในใจอยู่นะขยอมอยูดีด้วยสังกตายไปวันหนึ่งไม่มีความหวังในใจจะไม่มีทางเพราะถ้าไปอยู่ยาแบกสังกต า, าบบงาตายอยู่แบบสังกตายไปวันหนึ่งเท่านั้นหรือหาที่พึ่งทางใจไม่ได้คนที่มีดีมีปัญญาเขาจะเคารพครูบาจารย์นี่องค์นี้เป็นตนัวอย่างเล่าโยมฟังสักข้อ น, นึง เรามาก็ได้เวลาจํากัดวันนี้ก็พูดให้ฟังให้ชัดเจนเนี่ยตมาได้ยินสับพันยังเสียงมาเลยเอี๋ยวมาแก้ปัญหามาพูดคือมันไม่ถูกเรื่องถูกราชทั้งนั้นนอกประเด็นกรรมฐานนั้นคือไม่ใช่มานั่งกรรมฐานให้มีสตังนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายอมได้ธรรมะมีบุญวาส น, า, า, เ น, า, น า, าเมื่อยเงินไหลนองทองไหลมาเหมือนนั้นมาเป็นข้อผิดย่อยตมาได้จากคุณยายเยอะ ตอนเป็นเด็กไปเรียนหนังสื อ, อกรุงเทพอยู่สี่ปีกลับมาเรีเยบร้อยก็จะต้องไปเรียนโดนปี อ, อ, อีกอันหนึ่งแต่มาไปเด็ดเนี่ยเราให้ทำอาจาริปังเนี่ยไปอยู่จะแย่อะไรจะทำน้องนี่นะครูก็อ่อนกับเราเปนเยอะไวจุกเลยต้องไปไหว้กราบไปแข่นต่อเพลงมันนะระวังนะบางคนไม่เอาเนี่ยวิญโยโส ม, มแมลงป่องนี่ยไม่เคารพครูบาอาจารย์ว่าครูอาจารย์จะเป็นอะไรก็ไมาเด็กเคารพครูรับรอง มินก็นเมยต่อเครืจักอุปชัยวัดก็ไม่เอาอาเจายวัดรไม่เอารับรองไปไม่หลอดนี่เราเรี่ยมจริงให้ฟังในชีวิตของตมาต้องลาบากมากอยู่ขยายยังไปเด็กก็ไปอยู่ที่บางแวกถึงเทพหมหาคนครฝั่งเชีบุรียังเป็นเตยจังหวัดเชีบุรีเขาเรียกบางแวนะนี่จะให้เล่าให้ฟังสักข้อหนึ่งว่าชีวิตของตมาแรงแท้นเป็นเด็ด ก็ไปอยู่ที่ลูกบัณฑคุหลงท่าลาอายุเก้าเหตเนี่ยเขาเรียก บ, บานสามบันไดใหญ่มากประวัติเดิมของท่านคุเหลงก็เป็นคนรีนน้ําชาให้ในการที่หกเรื่องโขนอะไรเั้นเป็นก็ตายไปอยู่ตาลูกหลานจากคุเหลงนั่นต่อมาเนะต่อมาก็ไปลูกไปอยู่กับลูกคุหลงเท่านั้นเ้าเรียกว่าบานสามบันได ย, ย่าห่วงย่าห่วงบัดนี้ตายไปหมดนะต่อมายังเป็นเด็ก ผหลืวงก็ตายในปีนั้นอายุมากอายุเ ก, ก้าสิบกว่าตายเราก็ไปอยู่ห้องแถวเดือนละแปด้อยบาทตรองเสียค่าเพินเดือนละแปด้ยบาทให้ะัเขาขนอ่างทองอุทยัยธานีจังหวัดสุนศรียยาไปอยู่ด้วยกันและที่ปลายคนแรกนั้นก็มีขัตติยาจามย็อกติริคิดหนักขยัรมีเล่าให้ฟังนะ เราไปยายสอนนะสอนหนาไอ้หนูเอออยู่บ้านท่านอย่าดูดายนะลูกนะปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นตามาสวดมนต์เป็นแต่เปเดือดเล็กๆยายสอนทุกเรื่องการปี ส, รสีต่ต้องลุกตัดขุยข้าวทำต้มแกงให้ยายใส่บาต ท, ทุกวันถึงวันพระต้องหาไปให้ยายไสวัดทุกวันพระต้องหาก้อนดินไปด้วย กระบงข้างๆแล้วสองก้อนเอาไปใส่วัดยายบอกว่าไอ้หนูเราเหยียบดินวัดติดเรียบมาบาปนะลูกนะต้อเอาดินไปเข้าวัดเดี๋ยวนี้เอาดินวัดขายเลยเอาดินวัดขายเลยนะนี่คนสมัยนี่มาึงไม่เจริญไม่มีความเดินก้าวหน้าแต่ประการใดดูบ้านทานจะดูได้นะลูกนะเค้าจกเอาไว้จุกเด็กผู้หญิงเอาต้องไปไหว้มันนะ แต่คนอื่นเขาไม่วาดเด็กเขาไม่ย่ายเพลงอาตมาก็มานึกยายบอกอยู่บ้านทานดูดูดาห ย, ยับตั้งหัวตั้งวายอยู่พวกนี้เห็นก็ถูเรือนแล้วก็ไปช่วยเขาถูเขาหุงข้าวก็ไปช่วยเขาหุงข้าเข้าไปรดน้ําทุเรียนรดน้ําำชมก็ไปช่วยเขาลอกล่องท้องอสวนบางแววเขาทําสวนเลยก็ลูกขังคุณตาอคุณปู่ ที่ตายไปแล้วอ่ะที่นวนิญญาณหรือเนรายการมีหกเหร็นโขนเขาตายไปแล้วอยู่กับลูกคัาหนูมันนี่ชื่อทไมต้องไปช่วยลดน้ําทูเหลียนทําไมต้องมาช่วยเราถูเหลียนเล่าเป็นเล่าเจ้าไปลูกตาเราใครไม่ต้องมาช่วยหรอกเพราะว่าเราต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องไปหาวิชาของตนเองเพอะนนะอย่ามาช่วยเราเลยบอกไม่เป็นไรครับครูลุงครับ ยาฉ้อนผมอยู่บ้านทานอย่าดูดายป้านัวป้นควายแกก็หัวโลอกตาเอเด็กคนนี้แปลกากเด็กคนนี้แปลกมากพราะแปลกครับแล้วก็เดี๋ยวหัวข้ามมาปีชื่อมานะต่อเพลงให้อัตมายังจาได้แม่งเรียกว่าเพลงแคโโรโรบูลีกับแครโอทต่อเพลงให้ฮลีไม่ตจองเสียสักเน่ยเห็นมไ้ย แล้วต้องไหว้ครูขรรพบครูอาจารยา์หยาบหน้าวิชาเขาต้องไปแค่นเขาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครูอาจารย์ก็ไปว่า้ลูกศิษย์แถมลูกศิษย์ด่าให้ซ้ำอีกด่าให้อีกไงไม่อยากเรียนหนังสือไงลูกศิยด่าครูอีงครูลุ่นเก่านั้นไม่เหมือนครูลุนเราต้องไปไหว้กราบเท้าเขาถ้วยถูเรือนมือแดงกว่าจะได้เพลงกว่าจะได้วิชาของเขาเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกัน ต่อไปนายโยมคุณลุงก็บอกว่าหลานมาอยู่บริเยณใหญ่นี่เลยไม่ต้องไปเช่าห้องแถวมาอยู่ด้วยกันบนนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมต่อไปนะเก็บเดือนละแปดร้อยบาทไม่ต้องเสียต่อไปแล้วนะบัดนี้จะต่อเพลงให้ฟรีนี่เพราะความดีใช่หรือมากเราไปไหว้ครูอยู่เสมอไม่มนจะมาครูแจระการได้ คูลาดูจำครูเนะยคูนำครูผ่านครูศอนอาตมาได้เพลงมากมายกับเขาคนอื่นที่ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้เพลงหลักเขาไม่ห้เขาให้เพลงหลักที่เราหนึ่งแถลโอดสองโสมสองแสนอีเพลงหนึ่งลาตีประดับดาวที่รัติการที่เจ็ดท่านแต่งมาร้องด้วยมี่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเราต้องอ่อนน้อมต่อครูบาจารย์และก็ช่วยเขานายพิชชุด ไม่ต้องเสียถ้าเทอมยาดาวิชาพลีต้องกราบไหว้ครูตลอดเวลาการเดี๋ยวนี้แต่ยังไงครูอาจารย์ต้องไปไหว้ลูกศิษย์ไปไหว้ให้มาเรียนยังเสือมาไหว้แค้นให้วิชาเดี๋ยวนี้นะมา ต, ตอนนี้มันคนละประเภทนะคนเราเดี๋ยวนี้มันจึงเจริญไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไหว้ครูอาจารย์แล้วมิงเมย์ต่อครูอาจารย์ฉะนั้น เลยก็มาดารานียกตัวอย่างอาตมาเนี่ยนะเลยผลุกพลาดกลับไปบ้านยายยังไม่ตายจะตายในปีต่อมายายบอกแม่ก็บอกว่าลูกเอยถ้าเขาดีอย่างเอาข้าวสารไปฝากเข า, าไปปาขาอ้คนสวนเขาไม่ได้ทํานาอาตมาเอาไปกระสอบหนึ่งข้าวหอมมะลิเอาข้าวหอมมะลิไปหนึ่งกระสอบข้าวสารแล้วไปลงท่าเทียนนะประจ้างจ้างเรือไปจ้างเรือไป เข้าคลองบางแวกไปคือเรือมีเรือปุกๆเยอะคืนหนาบานคุณหลวงเลยแล้วก็ให้เขาช่วยแบกเข้าบบสารขึ้นไปคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาเออหนู อ, อะไรเนี่ยเข้าสารเอามาทำไมลูกเอ้ยยายกับแม่ให้มาฝากคุณลงโอ้ยี่โถมีน้ำใจขอหนูได้ํำลังใะ ได้เพิ่มอีกแล้วเพิ่มขึนยากมาตรงเสียรลยเวลากลับมาบ้างให้มาให้พลูมาฝากแม่กับฝากยายข่าวของเต็มกลับมาเลยเชียวขึ้นเรือที่ถ่าเรียมแล้วก็มาลงมาขึ้นที่ปักบางแล้วก็ขวาไปบ้านก็มานี่นะก็ตองให้เขามารับหากันแอนไปเลยนี่เห็นหั้ยได้อะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำใจเลย ตาตมาได้ตำลานี้มาเป็นฝังใจว่าแรงแค่ในชีวิตเหลือเกินชีวึกคงไม่สิ้นหวังแล้วเราได้ของดีจักยายจากยายไปเอาของไปฝากเ้านะลูกนะหลานนะอย่าไปจะมือนะหลานนะเราไปขอวิชาเ้านะหลานไปลามาไหว้ครูเขานะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยหนูจะได้วิชาที่ดี ซึ่มีปัญญาเขาจะให้ของดีก่อนจริงอย่างญงว่าให้แขกโอดแขกรบเรบรีแล้วก็เพลงโสมสรองแสงที่ใครไม่มีสมัยนะั้นแล้วก็เพลงลาตรีประดับยาวขเขมงสยโยกเปนต้นได้เพลงหลักหมดทั้งหมดเนี่ยสมาเนี่ยได้เพลงทั้งหมดพันกว่าเพลงนะอย่าลื้ยัยงยังจําได้ขอฝากว่านี้เนี่ยความดีที่เราคงไม่ชิอย่าง เราต้องกระสันอยู่ต่อครูบาอาจารย์เด็กหญิงจกอ่อนกว่าตมาต้องเป็นศึกศึกปีเขายังเด็กมากหรือจอรเทศต้องยกมือว่าครูจุกครับขอกราบไหว้ครูครับแล้วก็หยืนใช่เลยนะเรานั่งไหวมันไอค้ครูจุกมันยืนครูจุกผู้หญิงและขี้มุกป่งเลยแต่ครูจุกนี่นะคราบมาว่าเป็นดอกไม้ประยู่ธชาติและมีกาก เรียนหนัสือเก่งมากได้ครอบครัวเป็นขละเอย่างเห็นไหมเนี่ยครูดีมีปัญญาญาติมาก็ขอฝากความหวังไว้ว่ า, วาชีวิตเราไม่ชื่นหลังแน่เกือบการกระทำวุตวเวชีต่อครูบาอาจารย์เลยในชุดญาติโยมเลยไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องหุงข้าวรับทามเองเลยก็รับทานที่บ้านใหญ่เขาเรียกว่าบางสามบันไดไปถามดูได้ว่าปู่ย่าตายายเขายังอยู่ลูกหลานเเยเหลออยังอยู่ อย่าตายายอารมหายายตปจากปัญญาเรียกว่าบังแว่รุงเทพฝั่งทนบุรีจะมาไปอยู่มาเป็นเวลานานพอสมควรนะเนี่ยใช้ตำรายายไปบ้านธรรมจะดูดายปังหัวปั้นควายให้อีก่เขาเล่นไปถูเลือนไปแค่นหาวิชากราบไหว้เา้าเขาก็ดีใจเยอะเกินให้วิชาของดีให้หลับเดี๋ยวนี้ลูกศิษยต้นใหม่ไม่ต้องกราบไหว้ครูแล้วครูต้องไปไหว้ลูกสิษพ่อแม่ต้องไหว้ยูก ถึงจะถูกต้องมันถึงได้เลวลงเนี่ยธรรเนีถึงโศกกันมากมายทางแผนดินไหวทั่วประเทศเขตยดนไทยเราขอฝากญาติโ ย, ยมไว้ในวันนี้ด้วยการจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานต้องการตุต้มนี้ไม่เลิมพระคุณใครคุณครูบาจารย์ก็ไม่เลิมได้ไม่เกินพระคุณสัตว์ี่เลี้ยงไว้และจะไม่เลิมพระคุณชาติเภูมิมาเิดภูมิแรงให้เกิดวิชาแรงให้เกิดสภาพความดี ที่เขาช่วยเหลือจวดชุนอุหนุนมาจะไม่ลืมนี่ตรงนี้คือกรรมฐานและจะไม่เล่มพระคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่มันให้ความสะดวกเราทุกวันและจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตายไม่ลืมมือสองท่าสองกรหมองหนึ่งไปที่พึ่ง น, นี่คือกรรมฐานขออย่าโยมทำให้ได้ยืนหนอกับไอเดินงรงกลมกับพองยุบเนะ้ไม่ต้องอธิบายยานนะ ยานก็ไม่รู้เลี้ยงอะไรแล้วก็ขวายาง้ายยางก็มาได้ยืนหนอก็ไม่ได้เห็นหนอก็ยังทำไม่เต็นเสียงที่กระสดับก็น่าจะมีสติกําหนดจดจาแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงดีเสียงไม่ดีเสียง ด, ยงดีก็เข้ามาจดบันทึกไว้เสียงไม่ดีก็ทายออกไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฐานห้ารูปนามก็หมดไปสภาพความดีของมนุษย์ที่ต้องการตรงนี้จ้ะ คือกรรมฐ า, านว่าทำไม่ได้คนเราทางกรรมฐ า, านน่าจะรู้ว่าความต้องการของมนุษย์คืออะไรอย่าลืมคือความรักความนิยมชมชอบความเลี่ยมสายสัตวามนุษย์ต้องการความมีไม่เต็จิตเป็นไิ่ัูกภาพามนุษย์ต้องการอยากได้ไหมความเอาใจใส่ซึ่งกนการเราใจใส่เขาเขาก็อาจใจใส่เราใช่ไหมเนี่ยเราท่วยครูอาจารย์ของเราอย่างนี้เขาก็ช่วยเรา เอาใจใส่เขาได้มากเขาเอาใจใส่เราได้มากนี่มนุษย์ต้องการใช่ไหมเประการหนึ่งความเคารพนับถือคนต้องการมากเราก็เคารพนับถือเขาแย้งยกย่องเขาเขาจะได้เคารพนับถือเรานี่คนทุกคนต้องการใช่ไหมความเมตตาทุกคนต้องการนะเราเมตตาช่วยเหลือเขาปรารถนาดีกับเขาเขาก็ต้องปรารถนาดีกับเรานี่กรรมาฐานกรรทฐานทําได้จะจะรู้อย่างนี้จริงนะ ด้วยความต้องการของมนุษย์เราคือเมตตาไม่ต้องการความเหยียดหยามไม่ต้องการความลิบชยาตาร้อนแประการได้ต้องการเมตตาด้วยกันทุกคนไม่ต้องการจะอิจฉาใครแต่เราเขาไม่ต้องการให้่ยเขาอิจฉาเราแต่ทาไมเราไปอิจฉาเขาไม่ชอบเมตตาหรื อ, อยังไงถ้าจเจริญกรรมฐานได้ท่านจะได้เมตตารามีอริเอะเพื่อขาวเลือ ก, ก, กันและต้องการละเอียด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 มันจะรู้จักเห็นอกเห็นใจกันเดี๋ยวนี้ไม่มีการเห็นอกเห็นใจกันไหนเลยและจะได้รู้จึงขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเห็นอกเห็นใจยังไม่พอพอเราคุ้นกันเข้าใจกันดีใจแล้วก็ความเป็นกันเองแต่เช่นสามีภรรยาเป็นญาติกันแลวเราเพื่อนต่อเพื่อนญาติธรรมต่อญาติธรมก็ถือกันเองเป็นญาติกันอย่างนี้คนต้องการถือยอดถือสัต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 แล้วอยู่กันโนธรรมชาตินะอย่าให้หรูหราเกินไปสามีภรรยาอย่าให้หรูหราอย่าแต่งเพชรนินจินดาให้มันมากเกินร่ควรเกินฐานะเลยอย่าอยู่อย่างหรูหราอยู่อย่างเรียบเรียบอยู่อย่างเปรียบเลยไม่ละเลยอยู่ด้วยภาวนาด้วยธรรมชาติสามีภรรยาอยู่ด้วยธรรมชาติจะรักกันดีจะมีปัญญาไม่จะอยู่ด้เถหัดอยู่ในประชาทและชว่าง เดี๋ยวอยู่ในวัดอันโอ้ถงต้องอยู่โดยธรรมชาติลมเย็นเป็นุขจากธรรมชาติง่ายง่นี่มนุษย์ต้องการถ้าโยมเจริญกรรมฐานน่าจะเห็นอย่างที่กรมากล่าวชัดเจนถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ท, ทําได้จะไม่เห็นตรงกันข้ามเลยไม่ต้องการเป็นพวกของขใครฉะนั้นะไม่ต้องการเมตตาจากใครเลยเพราะตัวเองก็มีเมตตากับใครเลยไหนเลยได้จะเป็นธรรมชาติไหนเลยได้จะเป็นกันเองเช่นนี้นะ่ะ ม่จะคันตุกตาเนี่ยไม่ใช่นะเป็นญาติกันไม่อะไรก็กินการสู่กันใช่สู่กันกินไม่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่ธรรมชาติไม่จะอยู่ด้วยความรู้หลาไม่ดะอยู่ด้วยความเป็นอกุศลกรรมนี่คือกรรมฐานและการเรื่องจิตใจก็จะดีขึ้นจิตใจเราทําได้ก็จะรู้ทําให้ใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นลาศี เวลาใดทำใจให้หลาทีเหมือนมันนีแตกหม ด, ดลดราคาอันความสุดทางใจนั้นหายาะคนส่วนมากไม่ชอบ แ, แหวงหาหวังแต่สุกเพื่อสนุกเพียงหูตามันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจใช่ไหมตรงนี้ทำไมไปต้องการมันละอันชีวิตไม่บริไม่ไม่เป็นมัอันชีวิตไม่เป็นสดไม่เป็นสุษ ของเราแน่ชีวิตนี้ไม่เป็นสิทิของเราแน่ยอมเจ็บแก่กทำลายทุกชาติคราบควรที่เราจะกำหนดลสธรรมเล่งจดจามกำหนดจิตใจใจไว้ให้จงดีคือกัิปีธรรมปัญญาคือกรรมฐานนี่ถูกต้องคนดีต้องมีผลงานคนทานชอบหาเลี้ยงคนชอบรุ่งเรืองต้องพัฒนานะไปเพื่อตอก็หาเลี้ยงกลับมาเคืองเราซิด้วย เถียงเรา อ, อีกใช่ไม่ได้เลยนะขอฝากพวกขณากรรมฐานด้วยเรามีกรรมฐานไม่สติดีอย่าไปอิจฉาริชยาใครเขาทําไม่เขาอิจฉาเราดีกับเราไปอิจฉาเขาไอการริชยาการนี้ยังไม่ดีเลยกําหนดเนี้ยโกรธหนอโกรธเนอะโกรธเนอทําให้มันได้ทาริชยากันในหมู่คณะหรือใครก็ตามสาเหตุ ทำให้เกิดการแตกแยกความเมื่อกี้สองเป็นอภาษาของการประสานงานที่ดีสามเป็นเป็นเครื่องทําลายความและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันใช่มากเป็นการสร้างศัตรูให้กับ ต, ตัวเองไม่มีใครชอบไม่ถ้าคนเกลียดก็เป็นศัตรูอยู่ตรงนี้อย่างเป็นอยู่เยอะขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานถ้าขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานแล้วไม่ต้องพูดการ แสดงว่าโยมไม่มีกรรมฐานแน่นอนไม่แต่กรรมฐานหรือกรรมารกรรมฐานไม่แต่วิปัสสนิกไม่มีความคิดนิสิเป็นส ต, ติปัญญาตรึกรองทำนองทำแต่การใดจะไม่ได้อะไรติดตัวไปณบัด น, นี้ขอจนพร อ, อย่างนั้นกรรมฐานตั้งสติปรับไปแล้วจงทำต่อไปเชื่ เอาไปทึ้งถ้าเจอใจร้อนไม่ได้อย่างใจก็ไปบนลูกบนผัวบนเมียบนลูกบนหลานใช้ได้เลยใช้ไม่ได้ถ้าตั้งสติไว้ใจจะเย็นจะเป็นปัญญาถ้าใจร้อนผ่อนคลายหาสติสตังไม่ได้มันจะบนตู้เกอจุกจิกหาความสนิทสนมไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้ธรรมชาติเนียอยู่ได้ไฟสมขอนนอนไม่หลับ อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายถ้าทำกรรมาฐานโดยติดต่อกันไปที่บ้านขุณโยมอย่าไปเ่งสลบให้ใจมีอยู่แล้วเอาสติยัดเข้าไปเท่านั้นเองทาไม่ได้จะหยิบอะไรก็มีสติจะพูดอะไรก็ต้องคิดต้องมีสติปัญญากรคิดหนอคิดหนอก่อนเสียงหนอก่อนเสียงนอกเสียงกาเสียงบ้าบอเอาไปเอาเสียงชั่วมาทาไมจะทำให้สมองเสีย อย่างนี้กั็นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําให้เราเกิดยี่นายมีระเบียบแบบแผนในบ้านของเรารู้จักระวังตัวดีรู้จักควบคุมตัวได้ดีมากนี่กรรมฐานรู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่จำไม่แข็งข้อตอผู้ใหญ่หรือผู้รักตันโยรูก้การเวลาแน่นอนที่สุดจะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนี่กรรมฐานที่ได้แน่นอน ถ้าไม่เป็นแค่นนี้อาตมาไม่เชื่อว่าท่านได้กรรมาฐานมีแต่ไฟสมขอนเนี่ยมีแต่ลุกลามจิดใจให้อววาวนเนี่ยทำให้หลูร้ อ, อนนอนทุกข์าจะมีความสุขได้อย่างไรติดนิดสัยท่านจะเกิดขึ้นคือแบบยางขยันไม่จับจอดรักงานสู่งานประหยัดรู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์ถึงอย่างถูกต้องและคุ้มค่าําไม่โจรชัวร์อีกต่อไปจะใช้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในประเทศชาติคุณตนต่อไปการพัฒนามือสองท่าสองกระหมอ่อมหนึ่งเป็น่พึ่อแง่รู้จักพัฒนาตนเองและอาชีพพายุขึ้นสุขภาพพอดีสามารถสีรักครอบครัวสามีภรรยาจะเห็นอกถึงใจกันด้วยความรักครอบครัวรักหมู่คณะรักญาติพี่น้องทุกคนเคารพบูชาพ่อแม่และครูบาอาจารย์และเป็นพลเมืองดีของชาติและตออประเทศชาติต่อไป เาจะมีนิสัยแบบอย่างอีกประการหนึ่งคือสี่นิสยัยมีสัมมาคารวะอุคลาหาพย า, ยามปฏิบัติตามลำเบียบวิเนยีย้จากเบียรู้จักผู้ใหญ่จะอ่อนน้อมทาตนว่าเขาเป็นผู้น้อยหรือเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นผู้น้อยต่อต่อท่านผู้ใหญ่ควรเคารพนอบนอบูชาประการใดมีความรู้คู่กับคุณธรรมจากได้สมาฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งปลืการสภาพชีวิตรู้จักคิดรู้จักจับตัวเองให้เข้ากับเขาได้รู้จักแก้ปัญหามีท่าษะในการทำงานท่านิยมที่ดีงามของตอนในครอบครัวจะไปเรียนอะไรก็สมเรตจตามฐานะมีวิชาความรู้ให้คู่กับความดีมีปัญญาจะกรรมฐานงานชีวิตตึกตอนไวด้ดีได้งานได้ไดการดีขึ้น ไม่ประมาทฉลาดในการทำงานมือวิชาใจตัวแสวงหาเขาจะไม่ไปโง่ต่อไปอีกแล้วนี่คือกรรมฐานไม่จะค่คนโง่คุณภาพชีวิตมีคุณธรรมสังคมกองกาคนมีคุณธรรม บ, บุคคลผู้มีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตพุกชีวิตที่เติบใหญ่มาได้ก้าวหน้าในชีวิตอย่างเป็นละเบียบไม่เฉื่อยถอยเพราะชีวิตมีวินยัย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 เดินชัว่วโมงครึ่งนางชั่วโมงครึ่งต้องทําให้ได้ไม่ใช่มานั่งสามสิบนาทีแล้วก็ักลับบ้านเดินมันจะได้อะไรกลับไปแล้วก็ทิ้งหลังวัดหน้าวัดเลยได้อะไรอันุี้สงแต่ว่าผลงานก็ไม่มีผลกลับมาฐานติดตัวไปแล้วโยอมจะได้อะไรมาแลกบุญกันเท่า น, นั้นเองแต่มาเห็นเบาทวนนะีมาแลกบุญไม่มีคุณประโยชน์เลยคนที่จะเลี้ยงกลัมาฐานเจ้าอ่อนน้อมทุกขอมตนจะทําอะไรก็จะ ทำด้วยความอ่อนน้อมทำตนก่อท่านผู้ใหญ่เหมือนต้นข้าวรวงนาที่มันอ่อนซอยยา ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม้อยยมง่ายทั้งทั้งแปลงทั้งนาถ้ามีเม็ดไม่มีเม็ดมันเต็มเม็ดมัรีบมันจะโดไม่มีเด ม, มีตาไม่มีแววมีฉลาดขาดความเฉลียวใจการเจริญพระกรรมฐานได้พ้นงานโดยติดต่อ ป, ปนันไปนะทำให้ท่านให้ฉลาดให้รู้หลักความจริงให้รู้จั ก, จกชีวิตประจําวัน ้าทำอะไรในวันนี้เนี่ยท่านจะได้คำนวณการได้ถูกต้องของทำคนให้รู้จักตาป ร, ปรมาธรรมไม่หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรมถ้าทำคนตัวเราทำได้จริงก็ทำให้หนูสิงธรรมและวัฒนธรรม อ, อันดีงามและทำให้ตัวเราลักใคร่กันสนิทสน ม, มกลมกลนการระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างสามีภรรยาจะไม่ทิ้งความกันแน่นอนทำให้เรามีความเมตตา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 ทำให้เราเป็นผู้วางหนา้าสอนง่ายไม่มีมณเฑอถือตัวคนที่ดาจรมาถานจะไม่มีมณเฑอถือตัวเลยจะอ่อนน้อมอยู่เสมอจะว่านอนสอนง่ายใครจะตาเตียนว่ากล่าวจะเชื่อดาอย่างงั้นคนที่เถียงไม่เชื่อนั้นไม่ใช่นะกธรรมะไม่ใช่ผู้สอนยากแล้วโดยดาอย่างนั้นก็จะถือว่าถือมณะถือตัว ไม่แตกตัวโปรดคนที่เขาสอนโกรธคนที่ตักเตียนว่ากล่าวนี่มีมณะถือตัวทำให้เราหันหน้าเขาหากัรลักรองดองมันญาติพี่น้องร่วมกันลดทิฐิมณะลงเข้าหากันเขาลดอครึ่งเราลดอครึ่งก็หากันได้เราก็เดี๋ยวก็ตายจากโรคไปแล้วนะรองดองเป็นญาติพี่น้องร่วมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ดีกว่าหรือ เดี๋ยวก็ตาจากโลกไปแน่วจากโลกเขาจะ ล, ำล่ำเลยประการใดและทําให้เราเป็นผู้หนักแน่นในสัตว์ยกูกะตะเวทตารทำจะไม่เลิศพระคุณบิาดามดาผู้มีบุญคุณครูอบาอาจารจะเลิไม่ได้แน่ทําให้เรามีกายวาจาใจบริชุ์จะพูดจาพาทีก็มีเหตุนิพพนจะพูดจาก็มีสัจจะวาจาอะเป็นดีงาม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 เยียกเย็นคำพิลาพาจะพูดจาก็เพราะจะพูดจาก็เหมาะเจาะจะพูดจาพาทีก็มีแต่เมตตาไม่เกี่ยวปนได้โทษะเมตตาปลาณีต่อการใจก็เยียกเย็นเห็นใจซึ่งกันและกันทำให้เราเป็นผู้มีสติรอบคอบอีกมากมายมีสติรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงทิ้งถามได้อย่างถูกต้องทำให้เราจำดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักนศึกษานิสิตมหาวิทยายด้วยทำให้เราจำดีขึ้นจะไม่เลงไม่เลีย น, นจากสมองของเราต่อไปทำให้เรามีโรคภัไยไะเจ็บน้อยลงไปโรคภัยประจำตัวโรคหืดโรคหอบจะเป็นโรคมเะเร็งโรคไรก็ตามพอให้สรางกรรมฐานจริงโรคจะน้อยลงไปจะหายไปและจะไม่เป็นโรคคิบ้าบอคอแตกแม้จะไม่เป็นโรคประสาทอีกต่อไป สามารถเป็นภลวะปัจจัยนำให้เราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไนดะ้ทําให้มีความเชื่อเลี่ยงสายในพระนายยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณสะดวกแต่การอยู่ร่วมกันก็ดวกแต่การเห็นใจกันสะดวกแต่การที่เราเป็นญาติกันพูดรู้เรื่องเข้าใจกจะง่ายเป็นข้าหลักฉบับเดียหนึ่งพูดดีๆเข้าใจง่าย พูดล้ายเข้าใจยากถ้าพูดดีมีปัญญาสมานไมตรีเป็นมิตกันเรียกว่ามนุษย์ยสัมพันธ์ผู้นั้นจะมีแต่มิตรภาพมีแต่ความรักเมตตาต่อกานจะไม่มีหายานณะจะไม่มีจัตรูอีกต่อไปแล้วมีแต่เมตตาแผ่เมตตาให้จัตรูเป็นมิตกับเรา จิตใจเราไม่เป็นกัตตูกับใครตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปขออะนุโมทนาจาทุ ก, การแก่ผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านโดยถวนาการชานทั้งหลายปฏิบัติได้ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการชีวิตคงจะไม่ผิดหวั ง, วงจะไม่ชินหวังแห่งชีวิตที่เกิดมาในชาตโกนโลกนี้ทุกประการชีวิตจะแจ่มใส ชีวิตจะปราศจา ก, กทุกข์ชีวิตจะเบิกบานาทันทาชีวิตจะเล่นลีบดิบดก็ถือไปหยกหยกยกไว้ในใจเจตใจท่านจะพองใสใจสะอาดหมดจดมันทองคำธรรมชาติที่รอล้ายอมจะเป็นไปตามธรรมชาติอันหลักฐานนี้ทองคำเอ๋ยตองสู้ไฟไม้ใหญ่เอ๋ยต้องสู้ลม คมจิตตั้งสติต่อสู้ต่อไปชีวิตนี้คือความต่อสู้ศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารามีให้เรามีกูชนมุญญาลาธีทำงานบายหน้าอย่างเมียงตัสกศิลาศึกษาวิชาการจบครบทันทันเวลาก็บายหน้าไปสั่งสอนประชาชนสอนหลูกสอนล้านสอนโยมพ่อโยมแม่ ให้ปฏิบัติธรรมและสอนให้บำเพ็ญทานสิ้นละภาวนาให้ถูกตำลักอัญยวิธีทางพระพุทธศาสนาโดยถวนากันโุชลละขันจะโดนบันดาลย้อนกลับให้เราพุทธบริชาทั้งหลายทังประเทศลาอุเทละบังพเชและาลาคาริหัสอุบาศกอุบาิกาโดยถวนาการลงงอกงามไั่บูรในพระพุทธศาสนา และขอให้จิตใจแข่งเชื่อเบิกบานหังฌาโดยถวนากานขอให้จิตใจนั้นตรงเข้าสู่จดมุม่งหมายแห่งปัญญาญาณผลงานจะย้อนกลับมายากโยมพุทธร บ, บริษัททั้งหลายจะสบจากความทุกขความจเจริญโดยถวนาการตรงจเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภิาาารัปัติพานตอนาชารยลาสมบัติ นมกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอชมมากลาธนาด้วยการทุกๆ ท, ท่านณโอกาสนี้เท่นขอจเจริญพรด้วยการทุกทกท่าน